ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าพระราชาอยากได้บุญสมัยหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ ปี 2,523 อำเภอนายูงมันขึ้นต่ออำเภอนามโสมเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งจุดนี่เป็นจุดที่ป่ารงพงไพ่ที่สุดของเมืองอุดรอืมแต่เป็นถิ่นที่มีภูเขามากของเมืองอุดรแตะก่อนมันขึ้นจังหวัดน้องบัวลาพู นองบัวลำพูก็เป็นของเมืองอุดอรเหมือนกันแต่ทีศนั้นก็เป็นภูเขาแต่เดี๋ยวนี้มันแถบนั้นมันเป็นขึ้นต่อจังหวัดนองบัวลำพูทั้งหมดเพราะฉะนั้นอุดอรจึงถือว่าแถวแถบนี้แหละแถบอำเภอนายูงมาขึ้นมาทางนี้แนะ่ะเป็นอำเภอที่เป็นภูผาป่าไมา้เยอะเป็นมีภูเขาเยอะแต่เลยขึ้นไปจากนี้ไป เขาเรียกว่าบ้านคีรีวงกฏเลยจากภูก้อนกันไปไปบ้านเพิ่มแล้วก็เป็นบ้านอยู่หุบเขาเขาต่างชื่อว่าบ้านคีรีวงกฏตะก่อนเขบ้านยัองอยู่หุบเขาเมื่อก่อนเที่จะไปถึงบ้านนี้ได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่เป็นคนจังหวัดเลยนะมาอยู่ในหุบเขาเขาก็เก่งของเขานะเขามาอยู่ในหุบเขาเขาเอา หมู่พวกเพื่อนมาตั้งกลุ่มรักษาแต่สมัยนั้นก็กว่าจะอยู่ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะนักเลงโจรผู้ร้ายเยอะแต่เขาก็พอหมู่พอกลุ่มของเขาต่อต้านยืนหยัดอยู่ได้หลวงพ่อเข้าไปไปอยู่ของเขาเขาก็ดีดีมากๆหลวงพ่อตั้งชื่อว่าสวิตเซเลน์แดนอุดร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 ที่ว่าเจ้าชายเสดทานะคงจะยุคสมัยนั้นเจ้าใส่เสดทานเี่เราก็พูดเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไละ่ะเจ้าใส่เสดทานเป็นคนเชียงใหม่และวขามาแต่งงานกับเจ้าเวียงจันเจ้าเวียงจันไม่มีลูกชายมีลูกสาวก็เลยเจ้าเชียงใหม่มาแต่งงานกับเจ้าเวียงจันสมัยนั้นเป็นยุคที่ รุงเรืองที่สุดในระหว่างเชียงใหม่กับเวียงจันทน์ไม่มีการสู้รบสงครามกันสมัยนั้นเจ้าไ่เจธาก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มาสร้างวัดในถิ่นแถบนี้นทั้งหมดเลยแถวบ้านน้ำโสมแถวเนี่ยน้ำตกยุงทองเนี่ยที่หลวงพ่อไปภาวนาอยู่ในถ้ำก็ไม่ได้ไม่คาดไม่คิดว่าจะมี พระพุทธรูกไม่คาดไม่คิดว่าจะมีบาทนบาทบักยหอ่ขนาดเนี่ยใหญ่กว่าของหลวงพ่อทั้งสองเท่าเนี่ยอันนี้ก็คือวัดเจ้าชัยเสษฐาสงสัยสมัยนั้ น, น, นบ้านกิกรีวงกตนั่นก็ใช่เป็นวัดอยู่สองแห่งหลวงพ่อไปเห็นต้นมะม่วงมะม่วงปานี่อย่ใหญ่มากๆเลย แล้วก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธรูปปางเปียงจันนะั่นแหละแต่เขาทําสวยนะสวยงามพระพุทธรูปองค์เล็กๆ เ, เขาขุดได้พอรุ่นหลังลูกหลานเนี่เห็นท้าวววัตถุอยู่ที่ไหนเห็นเป็นจอมปลวกมีอิฐก้อนหินก้อนนะนะั่นแหละไปขโมยขุดของเขาขุดค้นหา วัตถุโบราณฮะอันนี้คือในถิ่นนี้ในวัดของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตดูอยู่ในวัดของเราเนี่ยมันมีฟ่วงหีดนะลูกกลันนะมันมีไอ<ม>้องพวกองคแตกพวกองค์แตกพวกไหาแตกพวกเนี่ยแหละแต่เป็นกระเบื้องดินเผาคนโบราณของเขาสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยธรรมาดาเหมือนกันนะ มีเป็นกระเบื้องแตกในวัดของเราเนี่ยปัดกวาดไปจะเห็นโผลขึ้นมาเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจะแสดงว่าคนโบราณมาอยู่ก่อนพวกเราแล้วนะะมาอยู่ก่อนพวกเราแล้วไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาเนะี่ยิณนี้เป็นถิ่นแรกไม่ใช่นะเห็นต้นไม้ใหญ่บเลบลเปลาดเนะ่ยจะแสดงว่าเขามาอยู่ก่อนพวกเราเขาปราบับลงพอแรงแล้วพวกเราเข้ามาชูที่หลั ง, งเหมือนกับ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 แต่เขาทําทําไมเป็นหลุมเป็นหลุมไปคนโบราณเขาว่าเขาขุดทองนะจะว่าบ้านนาคําใหญ่บ้านานาคาบ้านานาคําเ น, านานะี่ยคําก็คือทองนะ่ะทองคํานะเยแต่เขาไม่เรียกว่าทองเขาเรียกว่าคำํำคำคําว่าคําแปลรู้จักกันเลยละ่ะแปลว่าทองคำนะํำแล้วก็มาขุดแล้วก็ล่อนนะล่อนลงลํารางของเราเนี่ยขุดลงไปในดินแล้วก็ได้ทรายขึ้นมาแล้วก็ ลงมากันล่อนนะเนี่ยล่อ น, ล, อนล่อนทองนะแล้วก็มีทองบางคนก็โชคดีไปบางคนก็เอาได้ไปแต่ก็ไม่เคยเคาว่าคําว่าไม่มีไม่เคยมีอยู่แต่บางคนก็ได้มากบางคนก็ได้ น, น้อยแต่ถ้าว่าจะทํเน่ยถาทุกวันนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เอวันละสองสามร้อยบาทเนี่ย ไม่คุ้มค่าครับมันได้น้อยกว่าเพราะฉนั้นเขาจึงไม่ทำํำแต่ตามไม่จิงมีนะทองคํานั้นลูกหลานะแถวนี่มันเป็นสายแร่สายแร่ทองคำํำนี่แหละในท้องถิ่นท้องถิ่นอํเาเภอนายงแล้วอํเาเภอนาด้วงน่ะบ้านนาด้วงอํเาเภอบ้านผืออันนี้เป็นแร่ทองคํำขาวสมัยจอมพลสิทธิ์ธนรัตน์น่ะ เขามาขุดเขามาสำรวจเขาบอกว่ามีแร่ทองคำขาวอยู่ที่บ้านคำร่วงนี่ยหละซับในดินสินในน้ำมันมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไท ย, ยวันนี้เป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้เมื่อวานเป็นวันพระ จากนี้ไปอีกวันที่30ตุลาเป็นวันออกพรรษานะคณะสัายาติยมลกกลานแล้วก็พร้อมกันวันที่สออกพรรษา3 4 5สี่ห้าวันตรงกับวันอาทิตย์วันที่สพุจฤจิกายนเป็นวันทอดกระถิ่นวัดของเราเป็นวันทำบุญทำทานงานประจำปีแต่ทิ้งยังไง การทอดกระถินหลวงพ่อก็ไม่ได้ถือว่าจำเป็นสําคัญแต่วันปีหนึ่งๆก็ควรจะให้ผ่านผ่านไปเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่เคยที่จะมีใบซองดีกงดีกาในวัดของเราไม่มีแต่ถ้าว่าเขาจะทำในวงญาติของเขาสมมติว่าเอาทหารหรือว่าตารวจหรือว่าส่วนราชการพ่อค้า ห้างสปปรรพสินค้าเขาจะทำมาทอดกระถินผมขอพิมพ์ซองแจกในกลุ่มของผมได้ไหมหลวงพ่อเขาไม่ขัดข้องพอในกลุ่มของพวกเราแต่จะให้อามาให้หลวงพ่อเป็นคนแจกซองนะหลวงพ่อไม่แจกเรไม่เอาไม่ถือว่าสำคัญถึงขนาดนั้นแต่จะตุปัจจัยที่ได้มากเออเอาได้มากก็ดีพอเราจะได้ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ โรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์วัดวาศาสนาสร้างพระเจดีย์มีสิ่งที่จะก่อสร้างแต่ในวัดของเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาเพราะว่าวัดของเราได้ขนาดนี้ก็พอแล้วหละเราจะไปทำหรูหราโออากว่านี้ก็เกินกว่าพระธรรมฐานอยู่ขนาดนี้ก็พอแล้วหลวงพ่อก็รู้จักเมืองพอเหมือนกันนะลูกหลานนะ ถ้าใครก็ตามท้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ใดมีความสบายทั้งหมดขันทําไม่รู้จักเมืองพอละมันหิวอยู่ตลอดเวลาอยากอยากอยู่ตลอดเวลามันทุกขนะแต่ว่าถ้าอยากอยากจะทำคุณงามความดีอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญมากๆคือธรรมดาสัญชาตญาณของมนุษย์ของเราก็อย่างว่ามันกันนะใครๆก็อยากจะได้บุญมาก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 เท่ามากๆอยากจะทําบุญน้อยๆก็อยากจะได้บุญมากๆจะทํำยังไงจึงจะได้อย่างนั้นเขาก็คิดกันอยังมีนิทานชาดกหลวงพ่อสอนหรือบอกกล่าวในโดยมากหลวงพ่อจะสอนเป็นชาดกเพื่อให้ลูกหลานได้จําง่ายพิธีการทําบุญอยากจะทํำยังไงจึงจะได้บุญมากพิธีการทําบุญคนโบราณเขาทําอย่างไรย อัน น, นา ม, มาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าโกรพและก็มีอมาตะคู่ใจชือว่อาวิชอวิทูอวิทูนอมาตะแต่พระเจ้าโกรพเนี่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีจิตใจทำบุญสุนทานมีเมตตาต่อพระศพนนกร อย่างมากถ้าได้เงินมานี่ก็เอาเ ง, เงินเดิมเงินเดือนก็แบ่งตามสถานะถ้าคนยากคนจนมากกว่านั้นพระเจ้ากรรพบนี่ก็ตั้งโรงทานขึ้นมาในสี่มุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกแห่งหนึ่งเวลาคนมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ก็จัดอาหารให้เพื่อไม่ให้คนอดคนอยากถท่ามันไม่มีเงินเดือนกินจริงๆ อย่างน้อยก็ได้ทานอาหารคงจะเป็นคูปองลักษณะอย่างนั้นก็มั่งนะแต่นี้ก็การทำทานของพญากโกรพเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำโดยสม่ำเสมอแต่ตัวเองก็ไม่สนิทใจเหมือนกันเออเราทำบุญอย่างเนี้ยจะได้บุญมากหรือเปล่านะพอไปสืบสืบสอบสอ บ, สอบดูไอ้คนที่มาที่มารับทานนั่น่ะ ไม่มีศีลห้าศีลห้าไม่มีอแปลว่าศีลและธรรมไม่มีเอเหมือนเหมือนกับเราทําบุญทําทานไปนักเลงขโมยโพยโจรไปลักษณะอย่างนั้นหาคนดีได้ยากก็เลยเรียกอมาตวิฑูนมาเลยวิฑูนอมาตโลหิตตายจานยเป็นผู้มีสติปัญญาก็เลยมาถามว่าเออวิฑูนออมาต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 สมัยนั้นคือศีลห้านะเป็นศีลประจำโลกเนะเป็นศีลประจำะมนุษย์โลกสมัยนั้นเป็นศีลของฤาษีชีภัยเป็นศีลของคนดนะีระดับสูงเขาต้องรู้จักว่าศีลห้าคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ข, มขโมยทรัพย์เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาไม่โกหกไม่ดื่มของเมือนเมานะอันนี้คือศีลห้าเนะี่ยเป็นศีลประจำโลกมาตั้งแต่ดึกตำบรร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 ทางปรหิตก็ตอบว่ามันมีอยู่ชื่อว่าพรามอย่างคำว่าพรามคำนี้มีอยู่แต่มันไม่มีสินคําคว่าพรามเป็นผู้มีศินแต่อันนี้พรามมีแต่ชื่ อ, อไม่มีสินคําคว่าพรามคํานี้คือเพื่อเป็นผู้ทรมาค้าขายเป็นผู้ทรมาหาเลี้ยงชีพมันมีหลายและเกินถ้าผมไล่เรี้ยงเข้ามาถึงสิบสิบพรามนะ มีสิบอาชีพพวกที่ทำตนเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ส่วนหนึ่งก็นนั่นแหละเป็นพวกสะดาะเคราะห์หมอดูหมอเดาหมอดูเลิกดูยามแล้วก็หมอท ร, รมาค้าขายแล้วก็หมอฆ่าสัตว์บูชายันมันมีมากเหลือเกินแต่ดูๆแล้วพูดที่จะทรงศีลทรงธรรมจริงๆมันไม่มีครับ จะให้ผมหาหาไม่ได้ในเมืองเนี่ยทางพระเจ้าโกโลบเขาบอเอา้าถ้าหาไม่ได้ในเมืองเนี่ยหาที่อื่นได้ไหมผมอยากจะทําบุญกับผู้มีศินผู้ทรงสินเพราะว่าการทําบุญผู้ทรงศินผู้มีศินนั้นถึงจะวานพืชลงในเนื้อนานหน่อยนึง่งผลขายายผลกับผลก็จะงอกเงยงามขึ้นมาได้ผลเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่นี้เราทานกับผู้ไม่มีศีลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอ น, นิสงเหล่านั้นบุญเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ให้อาจารย์หาด้วยซี่ว่ามีไหมทั้งนอกเมืองก็เถอะไกลขนาดไหนก็เถอะก็ขอให้บอกผมจะส่งคนไปเชิญมานี่มนมามารับทานผมอยากจะทำบุญกับผู้ทรงศีลจะได้บุญบุญมากทั้งอำมาตย์นี่กคคิดหนักของ ท่านก็เคยอ่านตำรับตำรามาก่อนท่าออนก็รู้ว่าอืพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในนู่นอยู่ในป่าหิมพานนะ่ะที่มูเขาผู้เขานันท ม, มูลละกะเป็นกลุ่มของพระประเจกอยู่ตามลำพังจะไม่มายุ่งอีกเกี่ยวกับมนุษย์หน้าไหนคนไหนทั้งหมดแต่พระองค์พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านมียานาทศนะท่านมีฌาน ถ้าหากว่าท่านจะมองไปเนี่ยท่านจะมองดูว่าใครที่เป็นญาติมาก่อนใครจะทําบุญพอพระเจดจะเหาะหายปับ๊บไปแล้วก็ไปมินฑบาตกับคนกลุ่มนั้นสักนั้นก็มาเอามาเลี้ยงท่านก็ไม่ได้ใส่ใจว่ากินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเพราะท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่อ ง, อ า, งอาหารอยู่แล้วท่านหมดกิเลสแล้วเนี่ยท่านไม่ทุกข์กับอะไรเรื่องอะไรทั้งหมดอยู่แล้ว แต่อยู่ในกลุ่มของท่านเป็นสี่ห้าร้อยอยู่ที่เขานันทมู ล, ละกะกนาะพระประเจกอยู่ตามกลุ่มของท่านเองตอนนี้ตามประวัติศาสตร์โปโลหิตตายจานันท่านนี้ท่านก็รู้ว่านั่นน่ะมันมีมีอยู่ในโลกเนะี่ยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ตอนนี้โปโลหิตนี่เลยบอกว่าถ้าอยากจะให้ฆ่าพราะองค์ นิมนต์หรือว่าเชิญผู้ที่มีศีลมารับบริจาคมารับทานแห่งปฏิคาหกผู้มารับเนี่ยทายกก็คือพวกเราปฏิคาหกกระผู้ที่มารับทายธรรมของพวกเราถ้าหากว่าอยากจะให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงศีลมารับเนี่ยขอให้พวกเราเป็นผู้ทําความสะอาดพนาคอนซะก่อนปัดกวาดทาความสะอาดให้เรียบร้อย จา่ประกาศให้ทุกคนมีศินห้าก่อนสินลห้าคือสินของพรามตั้งแต่ดึกดาบรรพเดี๋ยวนี้พวกเราปล่อยป่าล่าเลยจนเกินไปมั่วไปหมดขอให้พวกเรามีศินซะก่อนผมจึงกล่าบว่าราธนาพระหรือฤาษีผู้ทรงศินมารับไตรยธรรมจึงจะได้แต่พวกเราไม่มีศินอยู่อย่างนี้ผมอราธนาไม่ได้หรอกครับผมไปเจ้าโกรบเอือ เอาแต่ยังการปฏิบัติตามให้ถ้าอาจารย์มั่นใจให้จากนั้นก็ประกาศให้คนทําความสะอาดพระนครจากนั้นขอประกาศให้คนมีศีลห้าหทุกคนมีศีลห้าให้รักษาศีลห้าพอคนทั้งหลายรักษาศีลห้าท่นั้นนะอ่ะอามาตย์คนนี้ก็กราบไปทางทิศเหนือของประเทศนะกราบอัลลาฮ์มีดอกไม้อยู่ในขัน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 อันดอกไมกน้น่าก็ลอยเล ย, ยงั้นนะลอยไปในอากาศไปไปถึงพระประเจียรพุทธเจ้าพระปเจียรพุทธเจ้าโอ้มันเรื่องอะไรพราพระประเจียรท่านมีญาณทั ศ, าศานะท่านมีฌานใช่แต่ท่านโอ้พระเจ้าโกรบเนี่ยกับบริวารอยากจะทําบุญกับผู้ทรงศีลเอาพวกเราทั้งหลายทั้งห้าร้อยพระประเจียรห้าร้อยเนี่ยไปไปรับทานในวันลุ่งขึ้น จากนั้นท่านก็ไปสงน้ำในสะอโนดัดจำรักกายตามลาพังนกก็อยู่ตามลาพังพระประเจกจากนั้นท่านก็เหาะมาทางอากาศมาลงแล้วก็เข้าไปรับปิณฑบาตพระทั้งสงทั้ง0้าร้อยพระประเจกพุทธเจ้าห0าจากนั้นพระเจ้าโกรบกับปริวารทั้งหลายทั้งปวงได้ทำบุญขอกาพ ร, ราธนาถึงเจวันทํทำบุญพระกับพระปเจกพุทธเจ้า จากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ถวายอัตถ บ, บริขารครบทุกองจากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าก็หายวับนี่แหละพระพทธองค์ท่านบอกว่าคนไม่ว่ายุคใดสมัยใดการทําบุญก็อยากจะได้บุญมากเจกจะทํากับผู้ทรงศีลสมัยนั้นหาผู้ทรงศีลไม่ได้จนได้ถึงกับกราบประหลาดนาพระประเจกพุท ธ, ทธเจ้ามารับทาน แต่พิทูลอามาตท่านมีความสามารถการพระราธนาพระประเศษพุทธเจ้าได้ในชาตินั้นพระเจ้ากรบคือพระอานนท์พระพุทธเจ้าท่านนั้นในชาตินั้นเฉวยพระชาติชาตินั้นพระเจ้ากรบคือพระอานนท์วิทูลอามาตก็คือเราตถาคตเนี่ยเป็นอามาตของของพระเจ้ากรบ นี่แหละอันนี้ก็คือยุคไหนสมัยไหนถ้าจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ย อ, อยากจะทําอะไรอยากจะทําน้อยอยากทำมาค้าขายลงทุนน้อยแต่อยากจะได้กําไรมากอันนี้เป็นทันสัญชาตญาณของมนุษย์ชาติไม่ว่ายุคไหนสมัยใดสมัยไหนอันนี้การทําบุญของพวกเราก็เหมือนกันแต่ถึงยังไงการทําบุญทําทานนะอึศูนยง เป็นการเสียสละมักเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ว่าการทำบุญกับตัวเอง้อก่าตัวเองทำบุญน่จุดนี้นี่ยมันทำยากแต่อา น, นิสงส์มหาศาลในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบ จิตใจสงบครั้งหนึ่งไม่ได้บุญกุศลทวีคูณเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หนึ่งไม่มีสองท่านตรัสไว้อย่างนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะเออเ่องทำทานก็ใช่อเ น, นสงของทานคืออะไรอเนสงของศีลคืออะไรอเ น, นสงของภาวนานคืออะไรอเ น, นสงของทานเกิดมาเพราะใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอเ น, นสงทานคุ้มครอง ไปนัตสถานที่ใดไม่น่าจะราบรื่องก็าราบรื่นเพราะอนกสงสารให้ผลไม่น่าจะมีของอยู่ของกินก็มีของอยู่ของกินให้อยู่ให้กินได้สะดวกสบายเพราะเหตุไลไยเพราะอนกสงสานของเรามีอย่างพระศิวผลีอย่างนี้ท่านทำบุญกับพ่อพระเจดและตั้งความปรารถนาอีกขอให้ข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใดหรือชาติสุดท้ายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไปนสถานที่ใดก็เหมือนกับพะระเถรรที่มีอติเลกาลาบมากอย่างที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระนี่ด้วยเทินเพราะนั้นมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์ท่านไปนสถานที่ใดมนุษย์ไม่ทำบุญเทวดาก็ทำบุญทางว่าไม่ทำบุญไม่ได้พระเทวดาเหล่านั้นต้องดูตลอด เพราะนั้นพระศิวลีไปนัสถานที่ใดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบริวารของพระศิวลีจะไม่อดไม่อยากเพราะเหตุไรเพราะอนนสงนการทำบุญทาทานอเนสงทานของพระศิวลีถวายต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธมรรและก็ตั้งความปรารถนาด้วยนี่แหละอเนสงทานไปนัสถานที่ใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอนนสงทานคุ้มครองอนสงสินคุ้มครอง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 เข้ามาแนะนำอบรมสั่งสอนจะไม่ไม่มีคนบ้าคนเสียจริตเข้ามาเกกะละรานเพราะอันสงสงของเราอั น, นสงสงศีลของเราคุ้มครองไปอยู่ณสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งที่เราไปอยู่ทั้งที่ไม่ปลอดภยัยแต่ว่าเข้าไปอยู่แล้วไม่มีอะไรอันในสงศีลของเราเขาเราไม่เคยคิดฆ่าใครเราไม่เคยคิดเปียดเปลี่ยนใครนี่แหละ ไปเห็นใครใครเห็นก็มีแต่ความเมตตามีแต่ความมาช่วยเหลืออนุสงเคราะห์อนุเคราะห์เราอัน น, น, น, น, นี้อันนี้สงสีนคุ้มครองแต่อันนี้สงภาวนาเนี่ยภาวนาคือเป็นสัมมาทิฏฐิไปอยู่นสถานที่ใดเราคิดไปที่ไหนยังไงไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นล้วนแล้วแต่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องในเมื่อคิดถูกต้องแล้วการกระทาก็ถูกต้องการพูดก็ถูกต้องไมเหตุไร เพราะใจของเราตั้งไว้ดีแล้วใจของเราเป็นสัมมาทิฐิแต่ถ้าใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเมื่อคิดผิดมีถโรบโมโหโกธาโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้เขาเห็นผิดจากทำรองของทำเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งที่มันจะดีเห็นตรงข้ามไปหมด อันนี้เรววาบอกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะถ้าคนมีความเห็นผิดอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเรือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าสัมมาทิฏฐิอยู่นํากับผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความเจริญนะเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ทานอ น, นิสง์ทานเป็นยังไงจะทํำยังไงจึงจะมีผลมีผลานิสง์มาก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 ไปในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายแง่หลายมุมหลายชั้นเชิงหลายเล่เหี่ยมเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาไม่ใช่ว่ า, ว า, วามีปริญญาเอกคะแนนใดคะแนงหนึ่งเป็นวิชาที่เลิศประเสริฐไม่ใช่นะวิชาของพระพุทธศาสนาเราเรียนเรื่องวิชาของใจนะนะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดในหลักของ พ, พุทธศาสนา แต่ในวิชาทั้งโลกนะวิชาตะคุบเรียนออกไปคนหนึ่งคิดใดหนึ่งคนหนึ่งคิดใดคิดแล้วก็เขียนวาดภาพออกมาแล้วก็ตะคุปเงาเรียนวิชานั้นวิชานี่สังคมาศาสตร์มนุษยศาสต ร, ร, รเ์เศรษฐศาสตร์กฎหมายพบคนหนึ่งต่างคนต่างคิดขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่างเรียนเรียนความคิดของคนนั้นเรียนความคิดของคนนี้แต่ว่าถึงยังไงต้องมีหลักเหตุผลในการในเรื่องความคิดนั้น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 ให้ชำระใจนี่แหละตัวน่ะตัวการใหญ่อยู่ที่ใจเนะี่ยจึงว่ามนโนปุพังขมาธรร ม, มามนโนเสรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจให้มองใจนะให้ตรวจตราดูที่ใจนะอันนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงภายนอกมนันตะคบุบมันไล่ตะคุบเงาเฉยๆแต่ตัวใหญ่ตัวการจริงๆคือใจเนี่ท่านจะบอกดูใจ ถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วทธนว่านั่นแหละอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานีผู้ไม่ต้องศึกษาคือเรียนเตือนเรื่องของใจจบแล้วคืออาเสขะพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาพระเสขะอย่างต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยว่าพระเสขะอย่างพระอรหันเนี่ยพระอรหันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระเปชิกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสสาวกเนี่ย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 ถ้าว่าเราเรียนทางนอกเหมือนกับเรามีไฟฉายก็บอกหนึ่งพอกระบอกกั้งคื้นมาเราสองไปนี่ไปเห็นนกกระรังที่มันร้องเนีแล้วก็ไปมองนกกระรังเ่ยมันออร้องยังไงมันทําไมจึงร้องไปศึกษาเรื่องนกกระรังเนี่ยพอไปถึงน้ําลำลำล่างก็ไปเห็นปลาอีกเอาปลามันมีกี่ชนิดก็ไปศึกษาเรื่องของปลาเนี่ยต่อไปก็ไปเห็นลิงอีกก็ไปศึกษาเรื่องของลิงอีกพอแสงสว่างมันส่องไปเลย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 รอบหมดทุกอย่างเลยเป็นว่าอาเสค่ะผู้ไม่ต้องศึกษาเรื่องทางนอกรีกแล้วนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นยังั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนะตอนนี้ไปรับพร